พระธรรมเทศนาแผ่นที่73็ดสบลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าใจนี้ไม่มีศูนย์อ้าวอยู่ตรงหลังศาลาเงียบ แต่เย็นไม่เงียบขนาดหูอยู่กับมือตัวเองวางสิ่งของยังไม่ได้ยินขนาดหูหลวงพ่อหูอายุเจ็ิบอยู่ข้างหลังขนาดนี้ยังได้ยินขนาดมือตัวเองกับหูตัวเองอยู่ใกล้ๆวางค่อยวางแรงมันจะกระทบกับพื้นเสียงดังเสียงไม่ดังถ้ามันมีสติมันก็ต้องรู้ว่าเสียงดังในะเสียงไม่ดัง ถ้าคนไม่มีสติเหมือนกับคนบ้าเนี่ยเตะกะลมงกะลมังเสียงดังสนั่นวันไว้ไปหมดมันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันขาดสตินะเพราะนั้นก่อนที่จะวางสิ่งของต้องวางเสียงดังเสียงไม่ดังหูกับมือตัวเองอยู่ใกล้ๆ ก, กันฮนะอย่างลุงตามหาบวรพูดผิดพูดถูกเสียงดังเสียงค่อยนะหูกับปาก อยู่ใกล้ๆกันนะไม่เห็นเลยไม่ได้สังเกตเลยไม่ได้ฟังเหรอยะลวงตาท่านพูดอย่างงั้นนะแต่หลวงพ่อบอกว่าเนะี่ยเวลาจะวางสิ่งของเนะ่หูกับสิ่งที่เราจะวางมันไม่ไกลกันนะเสียงวางวางค่อยวางแรงเสียงมันกระทบเนะี่ยไม่ได้ยินเหรือนะอย่างลวงตามหาบัวเนะ่ยเวลาฉันเม็ดมะขามเนะ่ย เพอฉันเสร็จแล้วก็โยนลงกระโถนแกล้งท่านก็เหลือบเหลือบมองดูใช้โยนอี่จะแกล้งอกีกมองดูแต่ตัวที่คนที่ฉันน่ะไม่ได้มองดูไม่รู้หรอกเออพอแกล้งขั้นที่สามหูท่านไม่ได้ยินเลยมันเสียงมันลาคานนะมันอยู่ในกระโถนนี่ท่านเค้สังเกตไหมเรือว่าเลิ้น รถมันเตะเลนทันแล้วท่านจนหูดับอย่างนั้นใช่ไหมท่านไม่ได้ยินเหรอไม่ได้สังเกตเหรอมันลำคานน่ะน่ะเห็นไหมมันลูกเม็ดปักขามมันลงใส่กระโถนมันดังแกล้งแกล้งอ่ไม่ได้ยินเหรอโอ้หลวงพ่อได้ยินแล้วก็นะล้วนแล้วจะเป็นบทเรียนเป็นแนวความคิดทั้งหมดที่ไปศึกษากับองหลวงตา <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ได้สังเกตไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษากับอย่างหวานเหมือนกับทับพีอยู่แช่อยู่ในหม้อแกงจนบองจนเกลือกัดกร่อนทับพีจะก่อนไปหมดแล้วยังไม่รู้รสของแกงฮนะเพราะนั้นพวกเราไปอยู่นักานที่ใดให้สังเกตฟังแล้วให้ฟังฟังแล้วให้สังเกตให้ใช้ปัญญานะ วันนี้เป็นวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เมื่อวานเป็นวันพระเดือนสามดับสิบสี่ค่เดือนสามแต่วันนี้เป็นวันอุโบสถของพระนะอุโบสถลงพระจะลงอุโบสถวันขึ้นค่ำหนึ่งเดือนสี่คือวันนี้นะ <c oughs> อย่าลืมเ <c oughs> ที่ยงลงอุโบสถ แล้วก็วันนี้เป็นวันตุษจีนพี่น้องชาวจีนทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไหนที่ออกจากประเทศจีนวันนี้เป็นวันลำาลึกถึงบรรพบุรุษผู้มีอุปกระคุณของตระกูลได้ไหวเมื่อวานก็เป็นวันแจกคงจะเป็นแจกเงินให้ลูกน้องมังลูกน้องบริวารให้โบนัสกับบริวาร วันนี้ก็เป็นวันไหว้เจ้า <c oughs> เป็นวันที่พักสบายสบายเป็นการพักผ่อนของพี่น้องชาวจีนทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นวันตุ๊จีนเป็นก็ว่าเป็นวันปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนก็ไม่น่าจะผิดตั้งแต่โบราณ น, นะเหมือนกับวันที่สิบสามเมษาของเมือ <c> ง <oughs> ของประเทศไทยเรา ที่ว่าเป็นวันสงกรานนะอันนี้ก็คงจะใช่อย่างนั้นนะแต่ต่างประเทศจะว่าวันคริสต์มาสก็คงจะเป็นวันที่24 25อันนั้นก็คงจะเป็นวันปีใหม่ของคนยุคสมัยเก่าจากนั้นพวกเราได้มารวมกันเพื่อให้เป็นสากลก็คือวันที่1มกราคมทุกปี แต่ถึงยังไงพวกเราก็ยังถือปเป็นประเพณีในพื้นเพของตัวเองพบในชาติตระกูลของพวกเราอย่างวันนี้แหะพี่น้องชาวจีนทั้งหลายพอถึงวันตุดจีนเขาก็ตื่นตัวกันทุกคนถ้าหากว่าอยู่ณสถานที่ใดก็กลับบ้านกลับมาไหวบันพระรุษถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของพี่น้อง ชาวจีนแล้วก็เมื่อวานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพาผู้ว่าพาธรรมบุญผู้ว่าพาธรบุญคล้ายๆกับว่าท่านจะรวบรวมพี่น้องประชาชนศรัทธา ย, ยาติโยมเพราะเมืองอุดรเป็นเมืองพุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งเป็นเมือง พระกรรมฐานเป็นเมืองของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาแนะนำสั่งสอนจนคนทั้งหลายรู้ไปทั่วโลกอย่างองค์หลวงตาเป็นเป็นหลักจากนั้นก็ได้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพระเนนก็อยู่ในเขต <c oughs> เมืองอุดอรนี่ก็มาก <c oughs> ถ้าจะว่าไปเมืองอุดอรเป็นเมืองต้นตระกูลของ พระกรรมาฐานเพราะว่าท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรท่านได้มาจากกรุงเทพแล้วก็มาปักหลักที่มนทนอุด ร, รสมัยก่อนก่อนพวกเราเกิดนะจากนั้นท่านก็ได้เป็นรักษามนทนอุด ร, รจากนั้นท่านได้เป็นพระอุปชาบวชบวชหลวงปู่เขาวบวชหลวงปูฝ่ฝันบวช หลวงตามหาบัวบวชล้งปูร่าท่านเป็นพระอุปชาให้ทั้งหมดนะลูกหลานนะล้มปูจามก็ใช่เครูบาอาจารย์ในออที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยมากบวชกับเจ้าคุณธรรมเจดีเพราะฉะนั้นอุดรของเราจึงเป็นเมืองของพระกรรมฐานรวมเป็นเมืองที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เกิดน่ะพูดอย่างนั้น ก็ไม่น่าจะผิดนะเพราะว่าเจะคุณธรรมเจดีย์เป็นพระอุปัชายะบวชให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราคร บ, บถือเลื่อมใสนะนี่แหละท่านผู้ว่าท่านก็มาอยู่ที่อุดรท่านก็มองเห็นว่าควรจะสืบสารประเพณีประเพณีอันดีงามพาพี่น้องแต่ละอำเภอทำบุญช่วงว่าง เมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้พาพี่น้องอำเภอนายูงมีหัวหน้าส่วนราชการมีท่านนายอำเภอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำ น, นันหัวหน้าส่วนราชการครูโรงเรียนนักเรียนมาเมื่อวานก็มากพอสมควรมาก็ได้ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลห้าหลวงพ่อก็ได้อธิบายเรื่องศีลห้าให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษา เมื่อวานนี้แลวก็เมื่อวานนีเป็นวันพิเศษอีกชวนหนึ่งตั้งแต่ปี 2,558 หรือว่าตั้งแต่ออกพรรษามานะตั้งแต่ปี57มาออกพรรษามาฝนไม่เคยตกแลงถึงเมื่อวานนะเมื่อวานโอ้ฝนรู้สึกว่าเทลงอตอนที่พวกผั ว, ก, วกำลังอยู่ที่ศาลาส า, า, ากพระขึ้นมาศาลาหมดแล้ว แต่เมื่อคืนในตีสี่เออลงอีกก็แรงอีกเหมือนกันนะไม่ไม่แพ้เมื่อาวานอีกเหมือนกันเพราะนั้นรู้สึกว่าแผ่นดิน <c oughs> ในเขตของเราเนี่ยชุมฉ่ำชุมฉ่าล่มเย็นฮพอสมควรในช่วงนี้พอว่าฝนตกต้นไม้ก็รู้สึกว่าชดชื่นขึ้นมาอันนี้ก็คือฟ้าฝนฮ แต่ถึงยังไงพวกเราคณะสัตยาติโยมทุกหมู่เหล่าที่ท่านผู้ว่าพาทำบุญพาสร้างบุญสร้างกุศลแต่หลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับการเกิดการตะเกินการเกิดการตายเรียกว่าการสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านแต่ว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วศูนย์ การกระทำสิ่งไหนออกไปก็ไม่มั่นใจเพราะตายแล้วศูนย์ทำไปเพื่ออะไรทำให้โง่ทำไมแต่ว่าตายแล้วเกิดเราก็ไม่มั่นใจอีกเหมือนกันเกิดแน่หรือเปล่าศูนย์แน่หรือเปล่ามันได้ทั้งสองอย่างถ้าว่าผู้ใดมีนิสัยเป็นบุญกุศลได้สังสมบุญกุศลไว้ในอดีตมาบ้าง เรื่องมามากพอสมควรถึงเขาจะบอกว่าตายแล้วศูนย์ตัวเองก็ยังไม่มั่นใจน่าจะประกอบคุณงามความดีเอาไว้บางทีเผื่อมันไม่ศูนย์ล่ะ เ, เราก็จะไม่ได้ตกต่ำแต่ถ้ามันศูนยเ์เราก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนเพราะว่าเราก็ประกอบคุณงามความดีตนก็เป็นสุขผู้อื่นผู้อยู่รอบด้านก็เป็นสุขเราให้ความเมตตากับทุกคนเราก็ประกอบแต่คุณงามความดี <c oughs> ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน เ, อเราคดนีนะ้เราคิดว่าถึงจะ <c oughs> ตายแล้วศูนยอก็ไม่เป็นไรแต่ตายแล้วเกิดเนี่ยเราก็คงจะได้ไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง อ, อันนี้คือผู้ที่คิด <c oughs> เหยียบเรือยสองแคมแต่นี้ถ้าหากว่าพูดถึงว่าตายแล้วศูนย์สุดโต่งแปลว่าสิ่งไหนถ้าหาว่ากฎหมายเอาไม่ถึงตัวเองทําความชั่วในที่รับ ยังที่แจ้งก็ไม่ต้องทําะลัวกฎกหมายเขาจะเล่นงาน่ะในที่รับกว่าทำสิ่งที่มันไม่ดี อ, อสิ่งที่มันไม่ดีขนมาใส่ตัวเองทั้งหมดเพราะใครว่าคิดว่าตายแล้วศูนย์ถ้ามันไม่ศูนย์ละ่ะเ อ, อเมื่อ น, นั้นแหละเราจะได้ใช้กรรมไปนานเท่านานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะเ อ, อในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีก ยืนยันแต่คนโบราณในครั้งพุทธกาลเขาก็คิดเหมือนกันนะเอ๊ะตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญจนมีท่านบันทึกในไว้ในพระไตรปิฎกหลวงพ่อก็ได้เห ย, ยิบยกขึ้นมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนเหมือนกันแต่คราวนี้เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการเกิดการตายแล้วว่าเรื่องการนั่งสมาธิ เพราะนั้นหลวงพ่อจะพูดเป็นแนวประไตรปิฎกหรือ แ, แนวที่พระพุทธเจ้ายืนยันรับรองให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอีกนะในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเสด็จประทรับอยู่ที่กรุงสาวัตถีที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารในยุคสมัยนั้นคนทั้งหลายเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูญย์ พอตายแล้วก็หายเงียบไปไม่เห็นมาบอกมากล่าวจนถึงพระเจ้าแผ่นดินท่านหนึ่งจับนักโทษที่มีโทษหนักโทษประหารพอเสร็จแล้วมันตายแล้วสูญแล้วตายแล้วเกิดเสร็จแล้วก็เอากระทะหม้อใหญ่ใหญ่เป็นตุ่มใหญ่ๆหญ่ม้อใหญ่ๆญ่จากนั้นก็เอาก่อไฟขึ้นก่อไฟขึ้นแล้วก็เอานักโทษเนี่ย ไปยัดลงในตุ่มอยู่อยู่ในหม้อกระทะน่จากนั้นก็หาหนังสมัยนั้นหาผ้าไม่ได้หาผ้าเต็นท์ไม่ได้เขาเอาหนังควายเนี่ยหนังบัวหนังควายน่บพบปิดเฮ้พอปิดปั๊บแล้วเชือกสนอขันมาเนี่ยขันให้มันแน่นจากนั้นเอาขึ้นไปตั้งไฟไอพวกที่นั่งล้อมรอบคนดูเรื่อวิญญาณมันจะออกยังไงฮ เธอนั่งนั่งดูวิญญาณเนะ่ยันโง่ถึงขนาดนั้นนะคนสมัยก่อนบางทีนะก็นั่งล้อมรอบอที่ยกหม้อต่นนั้นขึ้นไปค้างบนเตาไฟนะไอ้คนที่อยู่นนั้นมันก็ไม่ต้องว่าแล้วะก่อไฟขึ้นไปพอนักโทษประหารใช่ไหมโทษหนักอยู่แล้วเขาจะฆ่ามันอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องนี่แหละเขาก็เลยเอาใส่ในตุ่มขึ้นไปอยากจะรู้ว่าวิญญาณมันออกอยังไงฮะเนี่แหละ พอเดนั้นก็นั่ ง, ง, นนงล้อมรอบไม่เห็นวิญญาณออกเออเปิดขึ้นมาเห็นแต่มันตายแล้วไม่เชื่อหรอกตายแล้วจู้นตายแล้วเกิดมันจะมาเกิดได้ยังไงฮะเนี่ยคนโบราณเขาพิสูจน์ถึงขนาดนั้นนะเออทีนี้ก็หลายหมู่หลายพวกเหมือนกันแต่มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเกิดอยู่ที่กรุงราชสักขึนเนี่ยเป็นพราม เป็นพราหมณ์ก็คือเป็นผู้มีอั น, นตะกินตระกูลกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนะคืออินเดียเขามีสี่วันนานะตระกูลพราหมณ์แต่มีตระกูลที่มีสง่าราศีเป็นตระกูลที่ใหญ่เป็นตระกูลที่คนยกย่องนับถือทําพิธีกรรมพิธีการก็คือพวกพราหมณ์เนี่ยนะพราหมณ์ออกมาจากปากพรหมว่าือนนะแต่นี้ก็เขาเกิดขึ้นมาแล้วพ่อเป็นหนุ่มพ่อเป็นเด็กขึ้นมา เขามีอุปนิสัยแลือเขามีเซนเซนอันหนึ่งในตัวของเขาเขาเขาบอกว่าเขารู้ได้นะถ้ า, าว่าใครตายไปเกิดที่ไหนทีนี้เขาก็เอากะโหลกศีรษะมาบอกว่าเอากระโหลกศีรษะคนมาทีทีพอเอามาแล้วเขาก็มีค้อนพิเศษมีค้อนพิเศษก็เคาะกระโหลกกระโหลกคนตายนะ เคาะออกปอกปอกปอกเด็กก็นั่งหลับตาตามรู้ว่าวิญญาณของกะโหลกนี่มันไปไหนไอ้ก็ทํานายทายทักได้ว่านี่กระโหลกนี่ไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัชานไปเกิดเป็นสัตว์กะโหลกนี่ไปตกนรกกะโหลกนี่ไปเป็นเปรตกะโหลกนี่ไปสู่สวรรค์กระโดกระโหลกนี่เป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์เขารู้ก็ไปที่ยอมรับกันแต่ เออตอนนี้ก็มีพวกพรามอีกกลุ่มหนึ่งอีกเหมือนกันนะเห็นว่าเออไ อ, อหนุ่มเด็กหนุ่มคนเนี้ยเนีจะเป็นช่องทางหากินพวกเราได้เขาก็เลยเออตกแต่งให้เป็นแปลกๆเขาก็ใส่ผ้าแดงใส่เสื้อแดงผ้าแดงออห่มคล้ายๆก็เป็นเป็นหมอดูหมอเดาลักษณะอย่างนั้นแหละคล้ายๆประเทศเป็นแปลกหูแปลกตานะ ให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าอันนี้คือคนผู้พิเศษนะลักษณะอย่างนั้นจากนั้นเขาก็ใส่ลอ้อหามแห่ไปตามหัวเมืองต่างๆพอไปถึงแล้วก็เอาตั้งซุ้มขึ้นมาแล้วก็ประกาศว้าใครอยากจะรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องปงสาขนา ญ, ญาตาตายแล้วไปเกิดที่ไหนเอากระโหลกมาสมัยนั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้เผานะบางทีเขาก็ไปโยนไว้ป่าช้าบางไปฝังบงัง จากั้ขาโอกระโลงมาเนี่ยมากั น, นวังคีสะพรามเนี่ยมากเขค้อนกระโลงกระโลงเคาะหัวเลยเคาะกระบาลกระโลกศีรษะนะ่ยกระโลงเป็นกระโดกเน่ยเคาะปักนะปกัปกปกัๆปกักนั่งหลับตากําหนด ด, ดูบอกเลยทํานายเลยเลยนี่กระโลกนี้ไปตกนรกนะกระโลกนี้ไปเกิดเป็นสัตว์น ะ, กะเกิดกระโลกนี่ไปเป็นมนุษย์นะ คนทั้งหลายก็ให้รางวัลคนละห้าคนละสิบตามกำลังให้แก่วังคีสะพอหมดไม่มีใครมาหาแล้วเอาย้ายไปที่เอืเอ้อนย้ายไปเรื่อยๆจนถึงวัดไปถึงกรุงสาวัตถีนะพอไปกรุงสาวัตถีก็ไปอยู่ในถนนหนึ่งในถนนนั้นก็คนก็ถือคนทั้งหลายจะไปวัดปาเชตะวันมหาวิหารไปกราบพระพุทธทเจ้า เขาก็ถือดอกไม้ทูบเทียนไปตอนเย็นแต่ตอนเช้าค่อนั่นน่ะอ่าอาหารปานะสุดแท้แต่ผู้มีศรัทธาไปตกต ก, ต, กตอนเย็นเขาก็แห่ไปเพื่อจะไปฟังธรรมเทศนาพระพุทธทเจ้าแต่ในพราหมณ์นั่นก็ไปตั้งหลักอยู่ในริมถนนบ้านหลังหนึ่งก็เห็นคนไปกราบพระพุทธทเจ้าถือดอกไม้ทูบเทียนพราหมณ์ที่เป็นนายหน้าพวกนี้ก็เอ้ย นี่จะไปหาที่อื่นไกลเนี่พวกคนของเราเนี่ยเป็นหมอดูสันเยี่ยมมาจากกรุงราชสักคืใครอยากจะดูมามาดูได้ทางพวกที่ไปกราบพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าโอ้ยออในจักรวาลเนี่ยไปสู้สมณะโครมพระพุทธเจ้าของเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นสยามผูรู้แจ้งโลกคนอื่นจะไปรู้ได้อย่างไง เราไม่เชื่ อ, เ, อเขาก็ปฏิเสธพวกพราหมณ์นั้นก็ น, น่าจ้อยอคนเขาเขาเชื่อสมณโครรพุทธเจ้ามากกว่าแต่เขาไม่ยอมมามามามาให้เราเคาะกระโหลกเลย เ, เราน่าจะไปดูหน้าจางวังคีสะที่เป็นหัวหน้าเอาเดี๋ยวไปด้วยกันแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าวังคีสะนี่พราหมณ์เนี่ย กับคณะพราหม์ทั้งหลายจะเข้ามาพระพุทธองค์เอากะโหลกศรีรษะมาวางวางเลียงเลียงกันไว้เลยท่านเลียงกันไว้ แ, วแต่นี้พระพุทธองค์ก็บอกเออวังคีสัทราบว่าเธอได้เคาะกระโหลกศรีรษะของคน่ะรู้ว่าเขาไปเกิดนักสถานที่ใดใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะเออเอาทาอย่างนั้นก็นมาเคาะให้เราดูจีว่า ที่แต่ละกะโลกเนี่ยที่เราวางไว้เนี่ยเขาจะไปเกิดที่ไหนเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าเอากะโลกเพราะท่านตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสยามโพรู้แจงโลกปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตายานปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติ์ผนหลังได้จุตูปปาตายานก็คือการจุติการเกิดการตายของแต่ละกะโลกหัวศรีรษะเขาไปเกิดที่ไหน มาเกิดมาอย่างไงตายแล้วมันไปที่ไหนพระพะุทธองค์รู้ได้ทั้งหมดเนี่ยเออทีนี้ก็ให้พรามวังคีสะวังคีสะพรามนเนี่อที่ไตสุดเสือสีแดงนเน่เพื่อให้เป็นแปลกๆนเนี่อหมอดูจากนั้นเขาก็มาเคาะกระโหลกเคาะปักปักปักปักเขาก็หลับตาโอ้กระโหลกนี่ไปไปตกนรกปัญหา พระองค์โอ้ใช่เหล่ารับรองสาธุสาธุดีถูกต้องถูกต้องเอากะโหลกนั้นล่ะเอากะโหลกนี่นออกไปเคาะปักปักปักปกัเออเนี่ยกระโหลกนี่นไปเป็นเปลือครับผมยังเดอนลอยอยู่ยังหาที่จุดไปที่อื่นไม่ได้เออใช่สาธุสาธุถูกต้องเอีเพราะพระองค์ก็ปุบเพนิวาเนี่ยตูปปาปาตยานการจติของสรรพสัตว์ท่านมองดูแล้วให้นรู้แล้ว จากนั้นมาเคาะเป็นสัตว์ที่รชานบัง่งจากนั้นก็ไปสู่สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์รู้อะไรทั้งหมดพราะพระองค์เห็นด้วยถูกต้องพรมที่ท่านทํานายไปแต่ที้ท่านเอากะโหลกกะโหลกพระอรหันต์ท่อนทีพระอรหันต์ที่ท่านปรินิพานแล้วนะเอามาให้เขาเคาะดูพอมาถึงก็เคาะกะโหลกพระอรหันต์ไม่รู้ไม่รู้ที่ไปที่มาท่ พอพาาระรหัสนิพานดับนิพานนิพานนางปรามังสุขผังนิพานนางปรามันสุไม่มีเชื้อพระไทยใจของพระหรหัไม่มีเชื้อที่จะตามให้เจอให้เห็นได้เข้าอยู่เป็นอีกมิติหนึ่งคือนิพานท่านได้เคาะไปหายเงียบเคาะทนายก็หายเงียบพองอศเคาะที่สง้งที่สมหายเงียบนะวังคีสสะเธอรู้ไหมนี่ยไม่รู้พระเจา้าค่า กะโหลกนี่ข้าพระองค์ไม่รู้นะเขาก็เก่งของเขานะเอฟังกี่สะพานก็ถามว่าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ ร, งรู้ไหมว่ากระโหลกนี่เขาไปที่ไหนเรารู้พระเจรยาวนะเรารู้โอ้ท่านงั้นพระองคอ์สอนวิชาที่รู้กระโหลกนี่ให้กับผมด้วยพระเจ้าขานะ่าเฮ้ยถ้าใครไม่บวชเราสอนให้ไม่ได้ต้องบวชซะก่อนนะพระพุทธเจ้ามีเทคนิคในการ สอนเหมือนกันนะถ้าบวชซะก่อนยอมรับกับเราซะก่อนเราจึงจะสอนวิชานี้ให้หวังคีสะก็เลยครับผมบวชก็เลยบอกกับบริวารเอ้ ย, เ, อยเราเนี่ยมาเจออย่างนี้เขามาแล้วแปลว่าเรายังวิชาของเรายังยังไม่ไม่เต็มที่เพราะนั้นเราจะต้องเอาวิชานี้ให้ได้ซะก่อนเออตกอ น, นเรารู้ทั้งหมดแต่บัดนี้วิชานี่เรายังไม่รู้ เราจะขอเรียนวิชานี้จากพระพุทธเจ้าซะก่อนไปพวกเธอทั้งหลายออกไปอยู่ข้างนอกก่อนนะอไปอยู่บ้านพักก่อนแล้วยังค่อยสองสามวันยังค่อยเข้ามาแต่นี้ก็วังคีสารและวก็บวชบวชเป็นพระเพราะบวชเป็นพระพระพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานให้กรรมฐานห้านะเกสาโลมานะคะทันตาตาโจดก็สอนกรรมฐานเออกรรมกรรมฐานสาธยาย เ อ, อาการสาสบสองเอกเกษาผมโรมาข น, นาขาเล็บทันตาฟันโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมห้อยไตยตับผังผืชไตปอดใจใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าสาธยายบอกพระองค์บอกให้สาธยาย น, ะนี่แหละคาถาที่จะที่จะรูนะ้จากนั้นพระวังคีส่าท่านบวชเข้ามาใหม่แต่ก็สาธยายกรรมาฐานห้อาการสาสองของร่างกาย พอแยกส่วนแบงส่วนเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นร่างกายมันไม่ใช่ของเถี่ยงแท้แนะ่นอนมันเป็นของจะต้องแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแต่นั้นท่านก็พระองค์กเนี่ยให้ดูเข้าไปหาตัวผู้รู้คือใจอตัวใจคือนมามธรรมตัวผู้รู้อยู่ในอยู่ในกายของเราเนี่ยตัวนั้นแหละสำคัญนะตัวนั้นไหนเป็นตัวกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ที่นั่น จากนั้นท่านก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจของท่านจากนั้นท่านก็ปล่อยวางที่ใจเอไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แต่ขณะที่บําเพ็ญอยู่นะั้นลูกน้องบริวารก็มาถามาลูกพี่ปเป็น ย, ยังไงเรียนจบหรือยังเอ่ยยงัยงยังงอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมารบพวนกํากลังเรียนวิชาอยู่ไปออกไปอยู่ข้างนอกก่อนพอมาครั้งที่สองครั้งที่สาได้บอกเอ้ยเราไม่ออกไปแล้วว่ะ ออจบแล้วมันไม่ออกไปแล้วสูญเจ้าจะไปที่ไหนกับไปไปหายอยู่ห้ากินนะท่านจะบวชก็บวชเนเออจากนั้นบริวารเหล่านั้นก็เลยขอบวชอีกนะเอี่นี่แหละท่านพระวังคีสาก่อนท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แล้ท่านไม่กลับอีกแล้วพระสงฆ์ทางหลายได้ยินโอ้พระวังคีสาอนอวดอุตริมนุษยธรรมเลย ว, ว่าไม่กลับอีกแล้วก็คือผู้ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์เท่านั้นแหละ อ, อไปฟ้องพราะพูดใจยาว พระพุทธเจ้าบอกว่าใช่วังคีสะเนี่ยเขารู้เออต้นต่อรู้ที่เกิดที่มาเออเขารู้จบแล้วเขาได้เป็นพระอรหันแล้วเขาจะไม่กลับไปอีกแล้วนี่แหละวังคีสะเป็นพระอรหันแล้วนะนี่แหละอันนี้ก็คือในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านพู ด, พดไว้ในพระไตรปิฎกนะเออพูดในธรรมปัฏฐตกถาคือ ภาษาวก ข, ของพระพุทธเจ้าอัคราสาวกก็คือพระโมกขาราสาลีบุตรอัจติมหาสาวกก็คือสาวกที่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างนี่แหละพระอานน์บั่งพ ร, พระกัจจปะอนุรุทธะพระราธะลา ท, าลาทาพามอันนี้เรียกว่าอัจติมหาสาวกนี่ก็พระวังคีสานี่ก็เป็นอัจติมหาสาวกเหมือนกันที่ดันได้เอาลงมาใน บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามีมากหลากหลายที่ว่าตายแล้วไม่สูญยืนหยัดตัวที่ไม่ตายคืออะไรคือนา ม, มาธรรมคือตัวผู้รู้ที่รู้รู้อยู่นะเนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนะี่ยร่างกายเนี่ยมองกันเห็นกันได้แต่วิทยาศ า, ศาสตร์เขาว่าสมองใช่สมองก็อยู่ที่หัวของเรา เอแต่ตัวที่คนที่ไปใช้สมองนะั่นน่ะตัวหนึ่งอีกนะนี่สมองนะ่ะคือคอมพิวเตอร์ถ้าจะว่าไปคนเรามีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่บนสมุทรบนศรีรษนะนแต่คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นะ่ะที่จะตาัดรถยนต์เข้าไปนะ่ะที่จะตา์ดเปิดเครื่องไฟเข้าไปอแล้วก็ไปใช้คอมพิวเตอร์นะตัวนั้นล่ะวิทยาศาสตร์มองไม่เห็น ยังมองไม่เห็นทุกวันนะยางมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นนะคนที่ไปใช้คอมพิวเตอร์คือใจคือนามธรรมาตัวผู้รู้เนี่ยนะไปใช้เหมือนกับรถคันหนึ่งมีสมองคนอยู่ในรถราคาแพงๆนะพอโซเฟอร์ขึ้นไปก็จะตัดเครื่องพอจะตดเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็บอกเลยใช่ไหมมันบอกขึ้นมาเลยน้ำมันจะใช้ได้เท่าไหร่ จะไปที่ไหนจากนี้ไปละมันไกลเท่าไร่มันมียานของมันอีกต่างหากนะ <c oughs> ในในในรถคันนั้นอ่ะเออผลอๆยังบอกอีกเ อ, อล้อซ้ายล้อขวา ล, ล้อหน้าล้อหลังยางอ่อนยางแข็งตาซ้ายตาขวาตาหน้าตาหลังอีกตาหลีอีกออมันผิดปกติเ อ, อตาดับตาหลีอเออมันบอกอีกเพราะอะไร เพราะคอมพิวเตอร์อยู่ที่ตัวนั้นที่คนจะตดัดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์มั น, มนบอกนะคนที่ไปใช้คนที่ไปเปิดสวิตตนะ์คือเจ้าของนะไปเปิดเราก็รู้ว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงนี่นี่ก็เหมือนกันนะในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยหัวใจใจนะี่คือนามธรรมขึ้นไปใช้สมองนะอสมองสั่งการยังไง ตัวนั่นละตัวสำคัญไงว่ามโนปุพังคมัมมาธรรมมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาจะรู้ได้ยังไงจุดนั้นนี่แหละหลักพิสูจนก็ให้นั่งภาวนาอย่างที่ว่านะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนจิตใจวรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะ่ะเราจะรู้ได้เออกายกับใจใจกับกายนะเนออี่ย เป็นคนละอันกันแต่เป็นสมองก็เถอะกเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นร่างกายแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนะอีกส่วนหนึ่งตัวนั้นจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีให้ผลเราก็ไปสู่สวรรค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราทำสิ่งที่มันชั่วกรรมชั่วให้ผลพวกเราก็ไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่รชานอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันดีๆอย่างนี้แหละถ้าใครทาดี เขาก็ยกย่องเชิดชูบูช า, าไปที่ไหนคนก็ ย, ยอมรับว่านี่ท่านเป็นผู้นี้เป็นผู้ดีคนดีช่วยเหลือชุมชนสังคมถ่านเราไปตีหัวเขาเข้าเลยตันี้ไปทำความชั่วเขานีเขาก็รีบจับเข้าไปขังคุกขังตาราง อ, าอันนี้เป็นธรรมชาติความดีกับความชั่วความชั่วเป็นยังไงความดีเป็นยังไงถ้าเราคิดเพียงแค่นี้เราก็คงจะรู้ได้ว่ า, าดีนชั่วนันคืออะไรนะ เว้นเสียแต่คนที่มันโง่เง่าเต่าตุ่นจนเกินไปดีกับชั่วก็ไม่รู้นะอันนั้นก็บ้าบ้าบองบองบบเบอเบอร์ไปอย่างนั้นนะนี่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันนะพวกเราควรจะรู้อยู่ามั่งดีชั่วคืออะไรนะต่อเนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรในที่นะ